แก้ปัญหาไม่ตกเพราะนักภาวนาทุศีลหนังละครที่ชอบที่สุดคือรามเกียรติเดี๋ยวนี้ก็ยังดูอยู่ดูจบไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันไปได้คติตรงที่ว่าตอนพระรามหักคันสอนพระศิวะพระปิตุลาบำเพนตบะอยู่บนยอดเขามาเหทอนสำเร็จอิทธิฤทธ ดำดินบินบนล่องหนหายตัวได้พอได้ยินเสียงคันศรหักพวะเหาะมาทางอากาศพอมาลงปุ๊บเฮ้ย <Hey, S 1> ใครมาบังอาจหักคันศรพระศิวะที่ข้าบูชาอยู่คนนั้นมันจะต้องตายลูกเดียววาทะของผู้ปฏิบัติโดยมีศีลเป็นเครื่องประกรันความปลอดภัยจะไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยใครจะเก่งแค่ไหนเชิญเก่งไปเถอะแต่ถ้าศีลไม่บริสุทธ ไม่มีทางจะรอดพ้นจากกองทุกข์ไม่พ้นจากนรกเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครจะว่าเราได้หรือไม่ได้เราภาวนาเป็นหรือไม่เป็นขอให้ยึดศีลห้าเป็นหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงที่เรามีสติรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาจิตที่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่แล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะรับสถานการณ์ตลอดเวลามันจะไม่หันหลังให้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็แช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าไปนับมันขั้นตอนสมาธิเนี่ยใครได้ชานขั้นไหนชานขั้นไหนในเมืองไทยมีแต่นักภาวนาเก่งๆแต่แก้ปัญหาไม่ตกเพราะอะไรเพราะนักภาวนามนทุศีล